พระบัญญัติ130ก็ภิกษุใดนั่งหรือนอนบนเตียงหรือบนตังอันมีเท้าเสียบบนกุฏีชั้นลอยในวิหารของสงฆ์ต้องอบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุสองรูปจบ